ข้อความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลงปู่พทธญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องนิรณประปภะคือหมวดทิวาเรนิวอนตามที่ทรงแสดงไว้ในมาหาสติปทานสูตรต่อไปข้อความทั้งหมดอีกก็เหมือนเดิมนะคือเปลี่ยนประธานจากทีนมิทะเป็นอุตจากขออุปจกักคำว่าอุตจากนั้นแปลว่าความฟุ้งซ่าน กูกุจะนั่นแปลว่าความรำคาญก็เป็นอาการของโมหะกับเป็นอาการของโทสะซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตประการหนึ่งซึ่งท่านผุกฟังให้ลองสังเกตว่าบางครั้งข่าวเราคิดอะไรมากๆเนี่ยก็กลายเป็นฟุงสซ่านแล้วก็รับคานตัวเองนอนไม่หลับกระสับกระสายไปไปพิกมาเนี่ยก็เป็นอาการโดยธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่สมปุทุชนทั้งหลาย เราก็ทรงสอนให้สวจสอบเพรามันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติอย่างเรื่งของจิตกรลับสั่ว่าห น, นึงอุทธัจักกุกุจจะมีอยู่ในาภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าอุทธัจักกุกุจจะมีอยู่ในาภายในจิตนี่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะฮะว่าการมีอุทธัจจะก็ดูตามที่มันมีในช่วงแรกเนี่ยให้รู้ตามที่มันมี มีความชัดเจนไปจากแจ้งแก่ใจของเราว่าเวลาเนี้ยขนาดใจของเราก็มีอุจจาร ก, กุ ก, จกุจะคือความพุ่งสร้างความมังค่าปรากฏอยู่การกระริกนกรรมาฐานเนี่ยมีหลักการสําคัญอย่างหนึ่งคือมีความซื่อสัตย์ต่อ ต, ตัวเองเพราะว่าเอาก็จริงไปการดูภายในจิตของเราไม่มีคนดื้อ ม, มารับรู้หรอ ก, กว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไง เราก็ต้องรู้ด้วยจิตของเราเองว่าในขณะเนี้ยจิตเรามีอุตตจกักจกุตจะอยู่แต่ตามปกติธรรมดาของเขาเนะี่ะเขาก็อยู่ไม่นานเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นปกติอีกอย่างหนึ่งของจิตเหมือนกันคือดิ้นรนกับแปงห้ามยากรักษา ย, ยากมักสายไปในรมที่ใคร่เนี่ยทีนี้ติดตามว่าอุตตจกักจกุตจัไม่มีอยู่ในภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุตตจกักจกุตจะไม่มีอยู่ภายในจิตของเรา ถึ่งแน่นอนว่าการไม่มีอุทจักร์เนี่ยอาจจะมีกุศลธรรมหรืออาจจะมีอกุศลธรรมก็ได้คือในภาคสนามมันไม่ไม่ได้เกิดตามลําดับอย่างนี้ในภาคปฏิบัติจริงๆมันอยู่ที่ความโน้มเอียงไปในจิตของบุคคลว่าโน้มเอียงไปในทางไหนมากบุกิเลสประเภ ท, ทต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็มกักจะหนักไปในอารมณ์นั้นๆที่ทรงแสดงในรูปของจริตเนี่ย เป็นคนราคะจริตโทสะจริตโมหจริตเนี่ยเขาจะหนักไปในเรื่องนั้นๆโพราคะจริตมันก็จะหนักไปในทางกรมฉันโทสะจริตมันก็หนักไปในทางพยาบาทความโกรธความหมุดหงิดความรำคาญพวกโมหจริตมันก็หนักไปทางฟุง้งหรือว่าพุ้งมากเข้ามาเข้ามันก็กลายเป็นกุกุจะคือรำคาญุหงิด ไม่พอใจไม่ชอบใจในสถานาการณ์ตรงนั้นมันก็มุนมุนว น, นกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วาบางทีก็อาจจะอยู่เป็นกุศลก็ได้แต่เป็นกุศลมันก็หมายความมามองในแนวของกุศลแนวจิตตานุปษษัสนาสติปัฏฐานไปคือที่จริงประเด็นมันไม่ได้เจาะจงนะฮะประเด็นไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องทําอย่างนั้นทานั้นอย่างอื่นไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับอาการที่ปรากฏเป็นปัจจุบันขนาดมันมีอะไรปรากฏก็รู้เห็นตามความจริง ตามที่มันปรากฏในแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะว่าการเจริญกรรมฐานในจิตต้องอยู่กับปัจจุบันท่านยิงใช้กรรมสติมาแปลว่ามีสติสัมปชาญโนมีความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีอัตตาปีคือความเพียรที่มีความต่อเนื่องกันไปนังกล่าวไว้ในตอนตอนน้นอันหนึ่งความที่อุทธะกุพุจจะอันยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นได้ดยประการใดเนี่ยย่อมรู้ด้วยประการนั้น คือตาปกติแล้วอุทจจะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าเจตสูอวุปสมะคือจิตมันไม่ยอมสงบนั่นแสดงธรรมชาติของมันมาจนป่วนไปหมดเลยดินรนสายไปนะแหว่งไปในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนน้ำที่อยู่บนใบบวัวเหมือนเสาธงที่อยู่บนปลายเสาเหมือนว่านอนที่วิ่นไปในป่าเนี่ยมันไม่นิ่งเหมือนลูกลูกโคเด็กมกังซนหรือว่า ลูกม้ากับบางสนอะไรแต่ไรเนี่ยคือเราจะเห็นว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาอะมันแสดงพฤติกรรมตามปกติของเขาออกมาแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมเขานะับบางครัก็มีคนมาเล่าให้ฟังว่าก็ไม่จะเล่าฟังนะฮะคือพูดออกอากาศว่าไปคุยกับเพื่อนเรื่องนับถือคริสต์ศาสนาอะไรนี่ก็คุยกันแล้วก็ในที่สุดก็พูดว่า ศีลของพระสงฆ์ที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นมันผิดปกติมันฝืนธรรมชาติมันเป็นการคล้ายๆการดิรรอนสิทธิมนุษย์ชนอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่จะว่าคือเราจะต้องมองความจริงนะฮะว่ามนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ่มันต้องฝืนธรรมชาติเพราะธรรมชาติของจิตมันไหลลงต่ำนะเหมือนกับน้ำนี่ก็จะไหลลงต่ําแล้วก็มักจะหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกิเลสเป็นราคะเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นริษยา แล้วก็ตกอยู่ใ น, ในกระแสของนิบอตนะฮะประกาศเนี่ยใดอย่างหนึ่งดังกล่าวเนี่ยแต่ปกติก็เป็นอาการปกติของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราก็ต้องฝืนธรรมชาติเขาคือมีการดึงจิตในการกั้นจิตในการห้ามจิตในการประคับประคองจิตไปตามสมควรแก่กรณีแต่ในกรณีเนี่ยคือให้ดูก่อนในตอนแรกๆนีดูก่อนคือใช้สติระลึกไปก่อนเราถึงช่วงหนึ่งก็ค่อยใช้ปัญญา ตอนท่านจะตั้งปัญหาถามว่าอุทจจักกุกกุจจานิวรณ์ที่ยังไม่เกิดนี่เกิดขึ้นโดยประการใดก็รู้โดยประการนั้นเนี่ยอุทจจกกุกกุจกกจามันเกิดขึ้นเพราะเจตสัววุปัสสะคือจิตมันไม่ยอมสงบเมื่อจิตไม่ยอมรับสงบมันก็ต้องพยายามทําให้มันเกิดความสงบแต่เราสังเกตว่าการที่จิตไม่สงบเนี่ยมันต้องมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะยุ่ยุยยยยวนมาจากข้างนอก แล้วก็จิตใจก็คิดพลั้งไปในอารมณ์ต่างๆอาจจะต่อสู้กันระหว่างความดีกับความชั่วหรือว่าเดินขัดแย้งกันในระหว่างความชั่วด้วยกันหรือว่าความดีด้วยกันก็แล้วแต่อารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ชัดตามความเป็นจริงนะฮะว่าอุทธะกูรุจานิวรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเจตสุอุบุภะสมะทีนี้ปัญหาต่อไปก็ส่งสอนว่า การละอุทจักกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นด้วยการจะละอุทจักกุกุจักเนี่ยเรื่องใหญ่นะเะเว่าตัวกุกุจจะเนี่ยมันละได้ด้วยนาคามีท้าละเต็มที่นะฮะถ้าละเต็มที่เนี่ยละได้ด้วยนางคำีแต่ว่าอุทจักเนี่ยตรงโน่นเลยพระอรหันเนี่ยจึงจะละได้เพราะาเป็นกิเลสเป็นสังโยชนละเอียดกันเรียกว่าอุทจัก คือเวลาเรียกเป็นสังโยชน์จะเรียกอุทจจะเฉยๆแต่ถ้าเรียกเป็นระดับนิวรณ์เดี๋ยวมันเกิดขึ้นกลุ่มบุญใจเนี่ยจะเรียกควบนะฮะอุทจจะกุจจะจึงก็เป็นอาการของจิตแต่ว่าท่านที่เป็นพระนาคามีไปแล้วเนี่ยท่านไม่มีกุบุจจะแล้ววรรณะได้แล้วเพราะฉะั้นสังโยชน์ตอนข้างบนห้าข้อเนี่ยจึงไม่มีอาการของกุกุจจะโยมพระนาคามันคืออะไรเนี่เราจะบรรเทาอุทรเนี่ กุจะในระดับของชีวิตประจำวันนะเพราะว่าพูดกรรมฐานก็ดีก็จริงแต่ว่าจะพยายมเน้นในเรื่องชีวิตประจำวันคือไม่ใช่ให้แนขนคอตั้งบ่าแล้วก็คว้าอะไรไม่ได้เลยนะครับไปจับประเด็นไม่ได้อุตจาะเนี่ยมันเป็นกิเลสประเภทโมหมันคือกิเลสประเภทหลงบางคน ค, คู่กับวิจิกิจฉาเนี่ยวิจิกิจฉาก็คือแปรงสงสยัยอุตจะก็ฟุ้งวิจิกิจฉามันก็ยากกว่า กระโซดาบันทั้งก็ละได้แต่ว่าอุทธจักรนี่มันละเอียดนะฮะคือพุ่งไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแม้แต่พุ่งเป็นเรื่องดีๆแต่ว่ามาอยู่กับร่องกระรอยเนี่ยก็ถือว่าเป็นความพุ่งประการหนึ่งเหมือนกันดังนั้นในคำไพ่พีปปัญญสูทรนีท่านจึงบอกว่าจะต้องมีการศึกษาสดับจับฝังมากเพราะว่ากระบวนการเรียนการศึกษาตามที่ทรงวางไว้เป็นรูปโพสูตรเนี่ย หรือบรสัจจานั้นมันจะควบคุมจิตใจของเราให้อยู่กับหนังสืออย่างเวนี่ไปบรรยายรมเด็กเด็กมันจะถามปัญหาเรื่องทำยังไงจะอ่านหนังสือให้จำได้แล้วก็แนะนำแกไปนะตามที่เคยปฏิบัติในสมัยหนุ่มๆคืออาบน้ำอาถายสะอาดแล้วก็มานั่งกับอี้อเรียบร้อยนั่งในท่าที่สบายๆหนังสือวางไว้ขา้างหน้า แล้วก็อ่านออกเสียงดังๆตาดูตัวหนังสือไปด้วยปากก็อ่านออกเสียงดังๆไปด้วยหูก็ฟังเสียงตัวเองไปด้วยแล้วใจก็กำหนดข้อความเหล่านั้นไปด้วยเป็นการพยายามที่จะควบคุมความคิดของเราให้อยู่ในจุดเดียวเพราะในกระบวนการศึกษาที่เรียกว่าปูสูตรเนี่ยหรือโพสจะ ก็ทรงแสดงมันหนึ่งสุตะคือการฟังคําว่าการฟังในที่นี้หมายถึงทุกอย่างนะประสาทสัมผัสทั้งห้าเนี่ยตาดูหูฟังปากอ่านใจกําหนดอย่างที่สอนเด็กเนีฮะเอาตาดูหูฟังปากอ่านใจกำหนดแต่ก็อาจจะอ่านดูด้วยตาได้ฟังด้วยหูได้สูดดมด้วยจมูกได้ลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายก็ได้ก็อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เป็นประสบการณ์แล้วประการต่อไปก็คือว่า จะต้องสามารถจําเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไว้ได้แล้วก็บางอย่างมันเป็นกดเป็นเกม์เป็นหลักเป็นสูตรเช่นบทพุทธัาสีคืออะไรสีหน้าคืออะไรสติปัฏฐานสีคืออะไรสังเงานวัตถุสีคืออะไรเนี่ยมันต้องท่องนะไม่มีทางทําอย่างอื่นได้คือต้องจําแล้วองค์ธรรมเหล่านี้เราไปพูด้มันผิดเพี้ยนไม่ได้ถ้าผิดเพี้ยนก็แสดงว่าเราไม่รับผิดชอบต่อพระสัธรรม พระเจ้าว่าอย่างไงก็คืออย่างนั้นนะก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็ยืนยันหลักการตรงนั้นว่าเป็นความถูกต้องดีงามจะต้องมีความรู้ความสามารถในการชี้แจงอธิบายเกิด ค, ความเข้าใจให้ได้และการต่อใส่ต่อไปก็คือนำมาคิดมาเพ่งพิิพิจารณาคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆแล้วก็มีอะไรก็คิดเทียบเคียงมองจากมิติที่ปรากฏไปหาที่ไม่ปรากฏ จากใครครึงไปหาแผกเพี้ยนจากเหมือนกันไปหาตรงกันข้ามอะไรต่ออะไรเนี่ยจะเหมือนกันไปหาเหมือนกันจะเหมือนกันไปหาตรงกันข้ามคิดจะเป็นระบบแบบกฎธรรมชาติเนี่ยนะฮะเราสังเกตตรงมืองกับกลางคืนกลางวันอถ้าไม่มีไฟฟ้ามันก็มืดสนิทแต่เรสว่างในขนาดเดียวกันเนี่ยมันใกล้รุ่งใกล้ค่ำเนี่ยมันไม่ถึงกับมืดไม่ถึงกับสว่างก็มืดก็มัว เราก็ต้องเข้าใจนะครว่ากลางคืนกลางวันเนี่ยมันมีเทาๆอยู่ด้วยมันไม่ขาวล้วนๆด้วยดำล้วนๆแต่มันมีเทาๆอยู่ด้วยแต่เป็นการนำลงอยู่ในระยะสั้นๆนเพราะจิตใจของคนเราจะมีลักษณะอย่างนั้นถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะฮะว่าจิตมันจะเหนียวไปทางกุศลทางอากุศลคล้ายๆกับสว่างกับมืดนี่มากกว่าเทาๆก็คืออัปยาติการกลางเนี่ยมันจะมีน้อยกว่า ไม่ได้เบี่ยงไปด้านใดด้านหนึ่งอ่ะแต่นั้นคําสอนจึงมองไปในทางกิเลสประเภทโลภะกับประเภทโสดาเนี่มากเรียกว่ายินดียินร้ายเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันตรงนี้ในกรณีนี้เนี่ยต้องการจะให้ใช้ปัญญาเนี่ยเข้ากํากับจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจทะลุ ป, ปูโกรงในเรื่องเหล่า น, นั้นแล้วก็มีบางอย่างกในสุจิปุลิษนะฮะในสุจิบุลิษคือเรื่องเรื่องบางอย่างที่เรา ผ่านประสบการณ์มาแล้วมันต้องผ่านกระบวนการคิดติมีระบบมีกฎเกณฑ์ในการคิดถึงเรื่องนั้นๆแล้วก็จับหลักอะไรได้ก็ต้องจดจัด้วยกันไว้ทีนี้ถ้าถ้ายังไม่มั่นใจในสิ่งที่เราศึกษาคนา้นคว้าก็ต้องสอบถามนะฮะต้องสอบถามในเป็นดีที่สุดแต่เวลานี้ที่จริงยุคของวิยาการก้าวหน้า คือมายังมีความรู้สึกว่าเราค้นจากหลักฐานดีกว่าคือคนที่เราไปถามท่านเนี่ยบางทีท่านก็อาจจะไม่รู้แต่ท่านก็กลัวจะเสียเชิงท่านก็ตอบแต่เราก็ค้นแล้วอาดูกระต่ายบิดดกทันว่าอย่างนี้เข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็ผ่านถ้าไม่เข้าใจก็ไปศึกษาดูอัตรกรถาคือว่าเอกสารต่างๆเวลาเนี้ยมันมีมากจนเราไม่จาเป็นจะต้องไปถามใคร อย่างคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นนะฮะไปซีดีรอมอยู่ในเรื่องเหล่านั้นก็กดชั่วๆชั่วๆก็ไปวิจิตรไว้นี่ก็กดไ ด, ดไ้ได้ไปหลายรวดเรลเคยไปให้พระก็จดให้ดูกดให้ดูแต่ว่านมายัางใช้ไม่เป็นก็จะทําให้เกิดความอู้ความเข้าใจเพราะคําว่าสอบถามเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้จากที่อื่นในขณะเดีวยวกันเนี่ย ตัวเองจะต้องมีความรอบรู้มีความจำนิจจำนานในเรื่องนั้นๆก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในสายใดในกรณีของการปฏิบัติธรรมะก็ต้องรอบรู้จำนานจำนิจจำนานในพระวินยัยแล้วก็ไหนก็ธรรมเนี่ยนะมีความจำนิจจำนาญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแยกให้ออกระหว่างพระวินัยกับธรมรมะเก่อนไปบรรยายที่ต่างจังหวัด ฟังท่านเจ้ากน้ำเพื่อท่านพูดเสียงดุดุพอถึงเวาลาจะมาจะพูดามาก็แย่เอาหน่อยหนึ่งบอกว่ามานั่งฟังเจ้ากน้ำเพื่อพูดรู้สึกว่าดุนะเป็นผู้ปกครองแต่ว่าผมเป็นฝ่ายวิชาการคงไม่ดุใครคือที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่าหลักวิชาการเนี่ยไม่ใช่เรื่องจะดุหรือไม่ดุ มันก็พูดไปธรรมดาเนี่ยหลักอุจาการก็อธิบายชี้แจงไปทางอุจาการคือสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในการพูดในการบรรยายเนี่ยต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรทีนี้อย่างหนึ่งผู้หลักพูดใหญ่ผู้เท่าเนี่ยคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็อย่างอย่างเนี้ยเราเราเราไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เราไม่มีซีดีรอมอะไรแต่ไรเนี่ยบางทีเราก็หาได้ยาก เพราะในการฟังการเข้าหาขาธธาบุคคลผูกบัณฑิตพวกนักปราชญ์พวกมีความเจรินิชนานในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้เยอะคือเราไม่จาเป็นที่จะต้องไปไปหาคนความากก็ได้อย่างเวลานี้จริงจริงมันค่อนข้างสบายนะคือเราเกิดสะดุดในตรงไหนขึ้นมาเนี่ยเราก็มีพรกวกในแต่ละสายเนี่ยเราก็โทรศัพท์ไปถามครับอย่างน้อย เ, ยเราเล่าความ แตเราลึกอะไรไม่ออกเลยเนี่ยนต่เราเาความได้ไหมว่าอยู่ในปไจจับิดอกเล่มไหนนะเขาก็บอกเล่มให้เราก็พอแล้วเราก็สามารถจะหาได้แล้วอันนี้มันมันเป็นการขาจัดอย่าให้ความเครือบแคลงสงสัยเนี่ยมันตกตะกอนใจเพราะตกแล้วเนี่ยมันจะคิดมากจะสูญเสียความมั่นใจแล้วจะเอาเรื่องเหล่านั้นมาคิดมากแล้วก็กลายเป็นความวิกกัวงวลความเครียดบางท่านก็สอนให้ เข้าหาท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะท่านที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าการําความจริงเนี่ยความรู้นี่จริงถามใครก็ไดนะ้แต่ว่าถามให้เหมาะสมแ ก, ก่กรณีเรื่องอะไรคือเรื่องบางเรื่องเราอาจจะถามเด็กๆ ก, ก็ยังได้หลยแต่ว่าดูว่าเรื่องอะไรในคิดดีสะกอดคือบางที่ในเราไม่ค่อยสังเกต มาเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเราก็ไปไม่ถูกนะกันนะฮะเราก็ให้ค น, นรถไปสอบถามคือบางทีแกก็สอบถามไม่เป็นต้องอธิบายเขาอะดูคนเนี่ยมันดูง่ายที่จะตอบได้หรือตอบไม่ได้เนี่ยถ้าไปถึงถามปั๊บของงงเนี่ยไม่ต้องถามหรอกไปถามคนอื่นเพรเรื่องอย่างนี้มันต้องํานาญนะฮะท้องสถานที่จะเลี้ยวไปทางไหนอะไรแต่ไรเนี่ยบ้านคนนั้นอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยเขาต้องรู้ในทันทีถามปับ๊บเนี่ต้องรู้ปุ๊บ ถ้าไม่รู้ก็หมายความว่าไปถามคนดื่นอย่าไปเสียเวลาซักไซายไปรอเ็ามองแล้วมองอีกคิดแล้วคิดอีกอก็ปวดหัวปวดเปล่าเสียเวลาแล้วบางทีก็บวกบอกส่ ง, สงไปเราก็ผิดกันใหญ่เลต่อไปก็คือการเขาหาสมาคมกับคนดีเป็นมิตรเป็นสหายแล้วก็สนทนาพูดจากันด้วย ทรงใช้คำาไอ้ท่านใช้คำว่าสับปายะกถาคือมันสบายหูสบายใจพูดเรื่องที่โน้มน้าจิตใจให้เกิดความกล้าหาญเกิดความเชื่อมั่นเกิดความพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติโดยไม่มีความทุนร่างสั้นสั้นไอันนี้เป็นเป็นเป็นการบรรเทาทัศจากกุฏิจักในระดับชีวิตประจําวันนะฮะคือทําเราทําในชีวิตประจําวันให้ได้แล้วก็บุญโคแล้วแต่ว่า ในการกําหนดรู้นั้นทรงแสดงไว้ว่าอันหนึ่งความที่อุทธะ ก, กุกุฏะอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปได้โดยประการใดเนี่ยย่อมรู้ด้วยประการนั้นด้วยทีนี้ตรงนี้เราลองสังเกตว่าถ้าเป็นเรื่องชว่วครั้งชั่วคราวหรือบางกรณีเนี่ยบางกรณีเนี่ยเราจะมีความมั่นใจได้นะเช่นสมมติว่า ปฏิบัติพัฒนาไปจนจิตใจสงบเป็นสมาธิเอาระดับสมาธินะฮะเขาก็ถามสมาธิดียังไงเนี่ยเราก็ตอบได้ตอบได้เพราะเราเคยสัมผัสมาแล้วอันนี้อร่อยยังไงอันนี้เหม็นยังไงเนี่ยเราอธิบายได้นะเมื่อเราเข้าใจแล้วใจเราก็ไม่ฟุ้งไม่ต้องคิดมากอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าอย่างอื่นอะไรทอะไรเนี่ยเราคิดสายไปสายมาเนี่ย ลักษณะเหล่านี้เราลองลองสังเกตว่าคนนี้ฟุง้งซ่านเนี่ยมันจะไม่นิ่งอาการมันจะสายแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ไม่มั่นใจในสิ่งที่ตนกําลังคิดกําลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้นๆดั้การที่อุตจักกุกุจะที่ละแล้วเนี่ยไม่เกิดขึ้นต่อไปได้เนี่ยถ้าเป็นการบางกรณีเนี่ยในชีวิตเราเนี่ก็ทําได้นะในการศึกษาคนา้นคว่ายกยกตัวอย่างว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ย เป็นปัญหาที่น่าวนใหญ่ในปัจจุบันคือเรื่องกา ร, รเรื่องสังสารวัฏเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเรื่องนรกสวรรค์อะไรต่ระเนี่เยื่งมากระแสคัดค้านต่อต้านนี่ก็มาเยอะไปเกิดแล้วก็พวกเราเองก็ค่อนข้างกลัวกระแสความเชื่อของคนรุ่นใหม่นะบางคนเราดันจักจะไม่เชื่อตัวเองมราชักแกลงไปด้วยอย่างเนี้ยตรงนี้มันไม่ได้อะนะเราเองไม่ต้องฟุ้งซ่านเราศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจา้า ศรัทธาจะเชื่อมัน่นก็เรียกว่าศรัทธาสาธุ ป, ปฏิติตาศรัทธาทั้งมั่นแล้วสําเร็จประโยชน์เราเชื่อตามที่พระเจ้าทรงสแสดงเอาไว้แล้วก็พร้อมที่จะยืนยันว่าตรงนี้เป็นความจริงอย่างนี้อย่างนี้หาเหตุผลต่างๆมาอ่ายที่บายมาขยายความเหล่านั้นให้ได้เพราะทําอย่างนั้นในสุดมันก็เสียหลักดังนั้นจะเห็นได้ว่าบางเรื่องเนี่ยเราต้องแก้ในศรัทธาแหละบางเรื่องมันก็ใช้ปัญญา ทั้งหมดเนี่ยที่ปปัญญาสูตานีแสดงเนี่ยเราลองสังเกตว่าการเข้าหาผู้ใหญ่กับการเข้าหากะรยานมิตรเนี่ยมันเน้นไปที่ศรัทธาคือถ้าจะว่าปัญญาก็ปัญญาของเขาไม่ใช่ปัญญาของเราเอาศัยปัญญาของเขาแต่ว่าในกรณีอื่นเนี่ยคือพัฒนาปัญญาขึ้นไปแต่ว่าในชีวิตจริงๆเนี่ยเราก็หาอย่างนั้นไม่ได้ครบรทั้งทํำยังไงว่าจะหลักให้มั่นคงว่าข้อ น, นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ ข้อนี้พระหางทั้งหลายท่านแสดงว่าอย่างนี้ข้อนั้นในเอกสารระดับสําคัญเช่นประไตรปิฎกอัตถกถาอีกาเนี่ยเอาขนาดต้องสามอย่า ง, งนะนะของสามระดับเนี่ยแต่ว่าอย่าใช้ปฏิกชุนอย่าใช้ปฏิกระชนให้มากไปเวลาเนี่ยเราไปให้ความสำคัญแก่ปฏิกชนมากเกินแล้วพระเราเวลนี้ก็แกว่งไปเยอะ เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์เรื่องชาตินี้ชาติหน้าโลกนี้โลกหน้าอะไรแต่ไหรนี่แกล้งไปเยอะเพราะว่าไม่ได้ศึกษาสำเนียง ก, ก็ยังชอบใจผู้ใหญ่ตนแห น, น่งผู้รู้ก่อนเรียนผู้รู้ก่อนเรียนคือไม่ได้ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้ทดสอบอะไรฮนะแล้วก็ชอบแสดงวาทะโบหารเพื่อ ให้คนอื่นไปคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองมีความรอบรู้มีความสามารถอ่าเป็นเอกในเรื่องนั้นๆตอนนั้นปัญหาตรงนี้จึงต้องนองดูคนที่ควรแก่การเชื่อถือถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเรายังไม่นั่นไม่แน่ใจเนี่ยคื อ, อยาสําคัญที่น่ารังเกียจอย่างหนึ่งนี่คือว่าเวลาเราที่บายว่าข้อนี้พรจะพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างนี้ปรกากฏในที่นั้นที่นั้นที่นั้นที่นั้นนี่ แล้วแกก็มาพุ่งถึงมาว่าเขาว่าอย่างนั้นน่ะถามว่าเขาไหนล่ะก็ไม่รู้ละเขาว่ากันอย่างเงี้ยถามว่าคุณจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อเขาล่ะเขาไหนล่ะเขาบ้างๆไปตกเหวนะฮะไอเ น, นี้ยคือปัญหาปัญหาวันนี้นิ่งก็ได้ความต้องการกับเขาแล้วก็ดูเหม็นภูปัญญาของตัวเองดูเม็าศาสดาตัวเองดูเหม็าศาสนธรรมในาศาสนาของตัวเองเขามันมีความต้องการอะไรนักหนา มันเก่งกาศสามารถมาจากไหนที่สามารถจะไปปฏิเสธคําสร์ระดับสปัญญุต ย, ยานได้บรรการตรงนี้จึงเป็นหลักการที่มีความสําคัญว่าบางช่วงเนี่ยต้องใช้ศรัทธาเอาบางช่วงก็ใช้ปัญญาเอาถ้ายังปัญญาไม่พอก็ศึกษาเรียนรู้ตามกระบวนการของการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาขึ้นไปในจุดเหล่านั้น อย่างน้อยที่สุดก็จับหลักให้ได้ว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้และเราก็ยึดมั่นในหลักคําสอนทรงนั้นเพราะว่าถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้เชื่อใครเหมือนกันทั้งฝั่งเท่าไรแต่เราเพทธยาในวันนี้ขอยุติไว้ได้วเวลายเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงดงามไปบูรในธรรมจงมีทัท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยถูกกันสวัสดี